เพราะเมื่อพระตถ า, าคตอยู่ในที่วิเวกหลีกเล้นผู้เดียวพระองค์ก็ยังพึมพำนะพระองค์ก็ยังสวดพระองค์ยังสาธยายกฎอิทัพปัจจยตาและสาธยายปฏิจจสมุปบาทนะตัวกฎอิทัพปัจจะตานั้นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของปฏิจจสมุปบาทซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นมีคุณสมบัติคือ มันเป็นตถตามันเป็นอวิฏฐาตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นตัวตถตาหมายถึงความเป็นเช่นนั้นเองอวิฏฐาตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญยตต า, าคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นและอิทัปปจจย ต, ตาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นพระองค์จะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท ซึ่งอิทับปัจจจตานั้นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของปฏิจจสมบาตนั่นเองอิมัจสมิงสติอิทังหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัจสุ ป, ปาทาอิทางอุ ป, ปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัจสมิงอะสติ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 ทุกขะโทมนัสอุปายะสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปติจจะสมุปบาทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขาร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 อุปายะศสตร์ทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้